ฟังทากันเราออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดว่าอารามออกบวชไม่เกี่ยวข้องโดยบ้านโดยเรือนแล้วใส่ศิกขาและททำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ มีสติมีสมชัญญะมีความเพียรมีความอดทนมีศรัทธาเติมเติมให้กับตัวเองก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่าถอยหลังเอาพรตนาไตรยเป็นทงชัย สร้างศรัทธาต่อพระรัตนตไยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงชัยเป็นเบื้องหน้าเราแล้วก็มีวัดปฏิบัติมีระเบียบมีวินัยช่วย <c oughs> ทำอะไรอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อยู่ในกรอบอยู่ในรูปแบบของธรรมวินยแม่เรายังเป็นผู้ปฏิบัติก็เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วหลายๆอย่างที่ช่วยเราท ร, รมวินยระเบียบต่างๆวัดต่างๆแล้วก็มี ศีลมีสมาธิมีปัญญาไปพร้อมพร้อมกันตรงไหนที่มันจะไม่มีศีลเรามีศีลลงไปงไหนที่มันจะเกิดความล่มเหลวงนแย่นโคนแคลนเรามีสมาธิลงไปตรงไหนที่มันเป็นเขโก้สับสนวุ่นวายมมีปัญญาลงไปขณะที่มีสติมันก็มีความหลงมีสติลงไป มันตรงกันข้ามปฏิบัติไม่ใช่ทะนทถนอมเอาไปใช้เลยการปฏิบัติไม่ใช่ฉนโถนอมไม่ใช่ย่องย่องมันเป็นการลุยๆสักหน่อยตรงไหนที่มันจะโฟโฟแฟบแฟบนิ่งลงไปจิตใจตรงไหนที่มันจะ เยอยทยานลงไปเอาระเบียบต่างๆเข้าไปประดับตกแตง่งเหมือนกับมีรถมีลาใช่รถใช่ลาใช่ในเวลามันจะผิดรถถ้ามันดีมันมีคุณภาพตรงไหนที่มันมีหลุมมีบ่อมันจะพยายามใช่โชคใช่อับใช่แนบใช่การขับหยอดหลุม คนขับรถก็ต้องยดจกหยอดลุมล ร, รู้จักเปลี่ยนเกลีรยขึ้นเขาลงเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปแบบเดียวคนขับรถคนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคนขับรถอศีล ส, สมาธิปัญญามันทาให้เรามันมีให้เราใช่เราใช่ศีลใช่สมาธิใช่ปัญญา ใส่ความเชื่มแช่งใช่ความเพียรใช่สติใช่ความอดทนไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างปฏิบัติธรรมไม่ใช่ดุ่มรุ่มโดนโด น, ดนมีหลายอย่างที่สนับสนุนเป็นกองเคียทำให้เราผ่านพ้นไปหลายอย่างทำให้หลุดให้พ้นทำให้มีทำให้ไม่หมดทำให้หมดไป ความไม่ความหลงมันเกิดขึ้นทําให้ความหลงหมดไปเรียกว่าปฏิบัติความทุกข์มันเกิดขึ้นทําให้ความทุกข์มันหมดไปจึงเรียกว่านักปฏิบัติอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติมันเป็นงานเป็นการมันมีงานมีการให้เราทําเราได้ทําเรื่องที่มันผิดให้มันถูกนั่นแหละ เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเราได้ทําเรื่องที่มันจะหลงทําให้ไม่หลงนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมเราได้ทํำสิ่งที่มันทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อมีสติเรื่อยๆไปปลูกเรื่อยๆไปปลูกเรื่อยๆไปหลังจากเราอืสร้างอะไรสร้างป่าปลูกป่า ตรงไหนที่มันลกลางว่างเปล่าล้วก็ปลูกลงไปมนปลูกป่าเป็นการเป็นการพูดแบบง่ายๆแต่ว่ามันมีอยู่ตรงนั้นหลายอย่างปลูกแล้วก็รักษาเราก็ดูแลจัดสรรกับตัวเองลำดับ <c oughs> นั่นจึงจะเกิดป่าเหมือนหลวงพ่อปล่อยให้ต้นไม้มันตายไปต้นหนึ่งน ะ, ะแสดงว่า ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นนักปลูกป่าเวลาปลูกลงไปแล้วก็ถ้ามันแห้งแล้งมันเหี่ยวสมอยวางต้นมันก็อ่อนแอต้องช่วยตอให้น้ํามันต้องดูแลมันสมอยวางต้นมันก็ไม่อ่อนแอพอปลูกขึ้นฝึกขึ้นเลยก็มันจึงจะเป็นการปลูกป่ามันจึงจะเป็นป่าขึ้นมาแล้วก็ลําดับตามการตามเวลา เป็นปีนี้เราหุดสระล่งไปหมดเลยช่วงอันนี้เราก็จัดการกับตรงไหนที่มันโลดโล่งให้มันมีต้นไม้เกิดขึ้นกําลังเกศเสร็จแล้วกําลังเกดเสร็จแล้ ว, ล เ, เ, ลวเหลืออีกไม่กี่ต้นอันนี้ก็การปลูกสติก็มนกันตรงไหนที่มันอ่อนแอมัน ชอบหลงใส่มันลงไปใส่ความรู้สึกตัวลงไปตรงไหนที่มันควรจะปวดจะทุกข์ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปให้มันเต็มพื้นที่ในชีวิตจิตใจของเราจนเรียกว่ามีสติเป็นหน้าโรคนั่นแหละมันมีหรอกมันไม่ใช่ฟรีไม่ใช่รอคอยนักปฏิบัติไม่ใช่นักรอคอยชืงเงอชืง้าไม่ใช่ ในงานมีการมีการใช้ชีวิตประจำวันแต่แต่ตื่นจนหลับในเวลาหลับมันยังปฏิบัติธรรมนะถ้าเราฝึกจนนะเป็นจิตนิสัยนะอาจเป็นเป็นนิสัยสักหน่อยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่รอชั่วโมงนั่นชั่วโมงนี้นินนสัยเรานิสัยที่จะลู่ไปเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆแต่จะไปแบบ เต่าก็ดีค่อยๆไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มั่นคงไม่เหมือนปฏิบัติธรรมเหมือนกระตายพอถึงเวลาวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาพอถึงเวลาขี้เกียจก็หยุดเอานอนเอาหลงเอาหลงเอาหลงเอาหลงเอามันก็ไม่มีค่ามันก็หมดได้มันเสื่อมได้ถ้าไปแบบเต่าคลานไปเรื่อยๆไปรู้ไปเรื่อยๆไป อแต่ว่าหนักแน่นดีอาจจะไม่โหุ่มอาจจะไม่เดินจนเงือ่อนไหลคยย่อยอาจจะไม่นั่งจนหลังกดหลัองงอเพิ่มกับการใช้ชีวิตไปกับการมีชีวิตเพิ่มกับการค่อใช้ชีวิตไปกับงานกับการลําดับลำำํานํามีสติมีงานมีการตื่นขึ้นมาเอาอะไรมีสติโลภลุ เรา จ, จะดื่มน้ำ5แก้วก็ตื่นขึ้นมาก็ดื่มน้า5แก้วเอาห้องน้าห้องถังเก็บสิ่งเก็บของปิดกุญแจหน้าต่างปิดประตูหน้าต่างไปให้มันถูกต้องอย่าพาวพะพวงตรงไหนที่มันพาวพะพววงเสริมให้เกิดความรู้แม่นยาชัดเจน อันนี้ปฏิบัติทำหลายหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะควอมเป็นระเบียบเรียบร้อ ย, ยก็ไปพร้อมๆกันการนุ่งห่มผ้าก็ไปพร้อมๆกันการถือบาทการอุ้มบาทก็ไปพร้อมๆกันก็ให้มันงดงามไปพร้อมๆกันไม่ใช่แบบฟื้นแบบสแสแส้งแกล้งคับภายในมันเป็นแล้วมันจึงเป็นภายนอก การปฏิวัติทำมันไปหลายหลายหลายอย่างพร้อมๆกันไปความหลุดพ้นก็พร้อมกันไปนั่นแหละองไหนที่มันขวางกันก็มันก็เพื่อให้เกิดการหลุดพ้นองไหนที่มันมร่มแล้วทำให้เกิดความเชื่มแฉงอยู่ด้วยกันโดยเพราะเรื่องกายเรื่องกิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น จะไปเอาเรื่องอื่นมาเป็นเจนความหลงแม่มันจะมีเรื่องอื่นก็เน่งเอาไว้เช่นเวลาเราทำสมาธิเสียงโกก้าโกกากเสียงไฟอื้นิ่มมันเจงตรงนั้นนะไม่ใช่พราะไม่อะไรก็คือกลมเหลวหวั่นไหวไม่ใช่หนิ่งตรงนั้นนะมีเสียงอะไรที่มันทําให้ต ก, ออกใจทำให้ขาดสติขาดให้ขาดสมาธิ เพิ่มลงไปมันจะมีความเก่ง EN, เป็นประโยชน์ตรงนั้นเราไม่มีอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแต่นักปฏิบัติจริงๆมันมีงานมันเป็นการให้เราทาในเวลาขณะที่มันจะหลงทำให้ไม่หลงทำให้จิตใจหนักแน่นตรงที่มัน a. อ่อนแออ่าปฏิบัติทำเป็นอย่างนั้นมันจึงจะมีคุณภาพ ไม่เค็นนั่นไม่มีคุณภาพจะไม่เก่งเวลานั่งยกมือสร้างจังวะจะไม่เก่งในขณะที่เดินจงกรมเพราะตัวยังถนอมของดีมันต้องไม่ถนมต้องเอาไปใช่ของที่มีคุณภาพต้องเอาไปใช้นาไปใช้มันจะมีคุณภาพตอนที่ใช้แล้วมันไม่เสียหาย เราใช่เป็นด้วยของที่มันดีอยู่ก็บเรอใช่ด้วยเช่นสมาธิดีแล้วก็ต้องใช้สมาธิในทุกกรณีเช็นมีศีลดีศีเรนาสุกติยันติเราก็ต้องมีศีนในทุกๆ ก, กรณีมันจึงจะดีถ้ามีแล้วไม่ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์ มันมีไปพร้อมกันเราใช้ไปพร้อมๆกันการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องประดับตกแต่งมันเป็นเรื่องเรื่องเสริมสร้างมันเป็นเรื่องอืวิวัฒพัฒนาวิปัสนาเนี่ยวิตัวเนี่คือมันพัฒนาวิเศษวิเศษอยู่ทุกทุกอย่างเป็นศีลก็ต้อง ลาใดครที่มีศีลเวลาใดไม่วิเนยระเบียบวินัย ว, นน ว, วิเนยกันวิกกวิเศษในยะกันนาไปนําไปเรื่อยการปฏิบัติธรรมนาไปเรื่อยๆสู่ในยะวิเนยนำไปสู่ความหลุดพ้นนําไปสู่ทางวิเศษความหลงมันเหลวไหลก็มไม่หลงมันวิเศษวินัยแล้ว ความทุกข์มันเหลวไหลความไม่ทุกข์หมดทุกข์ไปมันวิเศษนั่นวิในแล้ววิธรรมวินัยธรรมวินัยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะมาอวดมาอ้างนุ่งผ้าห่มผ้าเดินฉันอะไรต่างๆอันอนั้นก็ไปดันหนึ่งช่วยกันไปช่วยกันไปก็ อ, อาศัยเกาะอาศัยลาวอะไรแบบไปวัดปฏิบัติตื่นขึ้นมา 3, 4. ตีสามตีสเตรียม วดมนว่ายพระอฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิทำใจแล้นัง่งฟังธรรมมันจะไหลไปไหนมันก็ปฏิบัติไปด้านแหละโว้เงาหอนอนปฏิบัติไปปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมอรู้ตัวยังให้รู้เสมอยิ่งพวกเราเคยเป็นคารวาะญาติโยมมาเคยเปิดเคยเพื่อนเคยเป็นจริตนิสัยอย่างไรมา แล้วาจริตโทสะจริตโมหะเจริตอะไรมาก็ยิ่งดีนะยิ่งดีบางคนพูดว่าโอ้ผมยังมีกิเลสมากยังปฏิบัติไม่ได้โอ้ oh, เขพูดแบบไม่รับผิดชอบอะไรยิ่งดีนะยิ่งดีเพราะเราจะได้พัฒนาพัฒนาผมเคยสุภวลีไปอยู่วัดสุกโตไม่ได้หรอกผมก็ ย, ยิ่งดี ใดพัฒนาผมนอนตื่นสายจะให้ตื่นทีซีจะไวหรื อ, อนอมใช่แล้วนักพัฒนาแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติวันนี้มันใช้ได้ตลอดชีวิตมีสติอยู่กับกายเวลานี้วันนี้มันจะติดไปตลอดชีวิตถ้ามีความหลงอยู่กับกายวันนี้มันก็จะติดไปตลอดชีวิต มันประมาทไม่ได้ทดลองไม่ได้ถ้าหล้มก็ลงไปเลยถ้าไม่ปฏิบัติถ้าทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยทดลองไม่ได้ชีวิตเราแม้ว <c oughs> ก็ตัดขาทดลองดูตัดมือทดลองดูมันไม่ได้ไม่ใช่การทดลองชีวิตเราเนะอ็นหัดสุบริมก็ติดไปเลยหัดจิ้นเรามันก็ติดไปเลยัห ด, ลดลยหดลงมก็ลงไปเลย ทุกข์มันทุกไปเลยจำเป็นมากๆการมีชีวิตเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงพอมาเจริญสติทุกความคิดมันไหลมาปะทุเรามีงานไม่การแล้ววนันนี้แสดงว่าเรามีงานแล้ววันนี้ทํางานอันนี้ลองดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่าไม่มีงานไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่พอมาสร้างสติดูสิอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติมันมีเยอะเราก็สนุกแล้ววันนะี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำงานทำการเป็นงานเป็นการช่วยเท่ากับมาฝึกตนเองโดยการเจริญสติหลงที่ใเรายิ้มใส่มันทันทีนงท่วงเทไรเรายิ้มใส่มัน ความง่วงที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เป็นงานของเราความหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิตชีวิตจิตใจของเราก็เป็นงานของเราความโกรธความทุกข์ความคิดหมกมุ่นอะไรต่างๆมันเป็นงานของเรางานของเราก็ทำอยู่ในลู่อยู่นี่ลู่อยู่นี่คู่ไปกับความอะไรต่างๆยืนหลักจุดยืนมีอยู่แล้วลู่อยู่นี่ลู่อยู่นี่ อะไรมันจะเกิดขึ้นรู้อยู่นี่นี่มันจึงเป็นปฏิบัติได้จึงการเป็นการให้ผลได้ไม่ใช่เราไม่มีงานไม่การเราเคลื่อนไหวอยู่มันก็รู้อยู่มันเป็นกอบเป็นกรรมมันเป็นมรรคเป็นผลอะไรมันหลงเราก็รู้อยู่มันเป็นงานเป็นการเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่มีอะไรที่จะสมน้ำสมเนื้อเท่ากับงานแบบนี้ เออสมสมเนื้อให้ว่าอย่างน้รเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรคเป็นผลเหมือนชาวลอยชาวรลอยเออปีนี้มีมรคไม่ผลได้ข้าวปลาอาหารเต็มมรคเต็มผ ล, ลชาวลอยชาวสวนพ่อค้าเอากำารเขาขายเขาเออเป็นมรคเป็นผลหลวงพ่อไปนี่ไปเที่ยวหลายประเทศมีกําไรดี มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ร่มเห็วไม่มีควาว่าร่มเห็วการปฏิบัติธรรมนะร่มเห็วมันเรื่องอื่นต่างหากนักปฏิบัติหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมกายใจของเราเนี่ยไม่ใช่มันร่มเห็วตรงนี้เคยมีคนมาสัมษณ์หลวงพ่องานหลวงพ่อ มนร่มเร็วรักษาป่างานเมันร่มเร็วแต่หลวงพ่อไม่ร่มเร็วเนี่ยรักษาสัตว์ป่าไม่มีสักตัวตอนนึ่งรักษาต้นไม้ก็ไปแล้วหมดแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเกินครึ่งไปแล้วต้นไม้ต้นโตโตถูก ต, ต, ตัดถูกทำลายไปหมดสิ้นเลยแต่ว่าหลวงพ่อไม่ร่มเร็ว ไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราเป็นคนทําผิดเอ ง, งกิงจะเป็นการรุ่มเร็วเราไปฆ่าสัตว์แม่แต่เขาบาหลอกหลวงพอ่อกินเนื้อเก้งเนื้อกวงหลวงพ่อก็ไม่กินเพราะหลวงพ่อรู้ของบาหลอกให้หลวงพ่อฉันเนื้อหมูป่าหลวงพ่อก็ไม่ฉันเพราะรู้จักต่อไปปลาตัวใหญ่อาจจะเป็นปลาสุกโตอาจจะไม่ฉันปลาเออ ในข่าว่ามีปลาตัวใหญ่แล้วาจะาไม่ฉันปลาตัวใหญ่จะฉันปลาตัวเล็กหรือถ้าเห็นปลาตัวใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นปลาวัดปลาสุกโตศร์วัดปลาสุกโตอ๋อเป็นอย่างนั้นไม่ล่มเร็วคิดไม่ถูกแต่ว่างานมันล่มเร็วมันก็ยิ่ภูมใจเออเราก็หมดแล้วเอามือเคาะมือเคาอูะไม่ใช่ความผิดของเรารู้แล้ว มันคนหลายคนนู่เราขอมือเขา้าหัวเขา่ามั่นใจอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทําผิดเพราะกายเพราะใจของเราแม้นจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นาราแล้วออก็ตามมือเข้าหัวเขา่ามือข้าหัวเข่าเบมือออกํามือไว้เข้าหัวเข่าไม่ใช่ความผิดของเราอันนี้ปฏิบัติตามมันต้องมั่นคงนะเราอยู่ตรงไห น, นอะไรก็ตามะ <c oughs> น่าจะเป็นจะตายมันเกิดขึ้นกับรูปกับนามแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราฟองอย่าง <c oughs> ที่ในความไม่เที่ยงก็มีอยู่เรื่อยไปเฮเราไปเรื่อยไปฟองอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายมันก็เป็นทุกข์มันก็เฮไปในความไม่เที่ยงก็ให้เรามั่นใจในความเป็นทุกข์ก็มั่นใจในความไม่ใช่ตัวตนมันไหลไปของมัน แต่ก่อนเคยเดิน ย, ยุ้ยรอบวัดเดีน๋นี่ไม่ค่อย ย, ยอุ้ยเท่าไรแล้วกันไม่ว่าจะไปปลูกต้นตาลคันโคสะก็ยังรอรถจานงวนอยู่ว่าจะไปเอาต้นไม้ต่างๆก็ไม่ไม่ค่อยไปแล้วต้องรอพอดีเมื่อวานเนี่ยคนอะไรมาแบบพาหลวงพ่อไปเอาต้นไผ่พาหลวงพ่อไปเอต้นต้นทมมาปลูกตรงไหนบ้างเออก็ะต่อ๋อเขาจะไป ห้ยปลาถานนเออบอกอาจารย์เศรษฐ์ป่ะหาไปด้วยนะมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะไม่ใช่ล่มเร็วเราไม่ล่มเร็วแต่ความไม่เที่ยงความโรยไหลของสังขารบางอย่างเราก็ลุอนะเราก็ไม่ใช่ความล่มเร็วของเราไม่ใช่ความล่มเร็วเราไม่ล่มเร็ว <c oughs> นั้นจึงปฏิบัติทางนั้นเป็นมรรคเป็นผล เป็นกอบเป็นกรรมส ม, สมกอบสมกอบสมกรรมมีจริงๆเก็บไว้กรรมไว้มันก็ใช้ได้จริงๆเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาทางานมือเป่าไม่กายไม่ใจมาปลอมๆพ อ, อ, อมาทำขึ้นมาเกิดเม่อเกินผลเกิดที่ใกิทีทใจเลิกสุบุรีเลิกกินเล้าเลิกโง่หลงโ ง, ง่งเป็นกอบเป็นกรรมเลิกทุกข์เลิก ไม่มีอะไรต่างๆ เ, เป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมากรอบกรรมของมรรคของผลเน่มันไม่มีอะไรถ้าจะว่างก็ว่างถ้าจะเต็มก็เต็มอยู่ในลักษณะเดียวกันว่างจากความหมายความเป็นตัวตนเต็ตม аны. ไปด้วยสติสัสมปชัญญะความรู้สึกความระลึกได้เขามีอะไรก็มีไปเถอ ะ, อะเราได้หลักตรงนี้แล้วเ น, น, นี่ยนะ หลักของเรามาอยู่ตรงนี้แล้ววิเศษแล้ววิเศษแล้วนะเวีเยดังเก่งการปฏิบัติธรรมนี่แหละงานมนุษย์ไปเชียงานของพวกอบายภูมิเขาก็สเสวยวิบากกรรมของเขาเป็นทุกข์เป็นโท ษ, โทษงานกับมนุษย์ตรงเป็นมนุษย์โซส่สิเป็นมนุษย์หรือยัง ว่าเป็นมนุษย์ไปลเลยเห็นเอาความชั่วไว้หลังแล้วมุ่งสู่ความดีข้างหน้าพระตันตนาใจเป็นธงชยัยงานมนุษย์เมื่งเราเข้ามาบวชถามว่ามนุษย์โศสิเป็นมนุษย์หรือยังอามะปันเตเป็นมนุษย์แล้วเออไปแล้วบ่านะเอาความชั่วไว้หลังแล้วบ่นะความดีไหมเธอเราไปพิเศษเทาอเลยไปนี่ บวชตามรูปแบบบวชไม่ตามรูปแบบใส่ใจมาตั้งใจมาบางทีก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมสวิตเซอร์แนดโคนผมผมเขาเอากนหมอหมอจาับบอกเราออกเกี่ยวกงานแล้ววาออมาบวชแล้วบวชต่อไป แ, แสดงว่าบวชแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้โคนผมแล้วคิดแล้วนะเป็นอย่างนั้น ไปตามกระแสกระแสมันม่แสมักผลในพานกระแสบุญมันมีไล้แล้นะคือไม่ศรัทธาเนี่ยางทีก็ลางานลาการมาโลกหลานบวชใหม่เอางานลาการมาเฮน้องซ่องซอซ่องซอรเสญเป็นห่วงติดตามมาดูอยู่ได้หรือเปล่าโอ้ปวดทรมาร องตรงไหนที่มันลําบากเราต้องลุยกันสักหน่อยไม่ใช่อ่อนแออ๋อวัยหนึ่งเคยอยู่ที่ไี่เคยไหมพระอือลงตามาจากอาเภอหนองสองห้องแต่วาอยู่กับพ่อในแล้วเออมามาจะไมนั่นอยู่คนเดียวพอมาแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคัวา่วบุหรี่ออกมาสูบอุ้ยสูบบุหรี่ทั้งเด้ ที่นี่ไม่ได้่งบุรีนะบุรีใสายยา่ย่ามเขเอ็จะง่าเออผมจะไปเยี่ยมอ่บ้านญาติชั่หน่อยจะเนี่ยใกล้ๆวัดนะพ่อขก่กวงเป็นญาติกันเออเนี่ยบ้านพ่อข่วงอยู่ใกล้ๆนะอร่อยไปพาย่ามไปไปบาตไปไม่ออกมาเลยครับไม่ออกมาวัดเลยนอนอยู่ในบ้านบ้านกําลังเล็กหน่อยนอนอยู่ใต้เล่า บอกให้ออกมาไม่ออกมาไปเลยแงุู้นี่ลเลยไปเลยกลัวแล้วกลัวเล้วไม่ไหวเลยไม่ไม่ไหวอนะอย่าล่มเร็วอย่างนั้นนะพวกเราอ่านะวันนี้ก็สมควรใช้เวลาอ่นะิเษกพร